เ็วันเจ็ดเดือนเจ็ดปีต้องมีผลบ้างอาจจะไม่ได้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ไม่ได้พระอนาคามีเหมือนในพระไตรปิฎกพูดเพราะอินทรีย์รุ่นพวกเรามันอ่อนลงแต่อย่างน้อยพระโสดาบันก็น่าจะได้นี่ถ้าหากเราไม่ได้ทําตรงที่พระพุทธเจ้าสอนแต่เราอ้างพระพุทธเจ้านะซึ่งทุกคนอ้างหมดมันก็ไม่ได้ผล